สาธุชนผู้เจริญในธรรมในลำดับต่อไปนี้จะเป็นบทพระพุทธมนต์พระคาถาชินนบัญชรของสมเด็จเจ้าพระคุณพระพุท ธ, ธาจารโตพรหมลังสีแห่งวัดระคังโคสิตารามเพื่อให้เกิดอนุภาพยิ่งขึ้น ก่อนเจริญภาวนาทินบัญชรโปรโดตั้งนโมสามจบแล้วระลึกถึงและบูชาเจ้าประคุณสมเด็จ ด, ด้วยพระคาถาดังต่อไปนี้นโมตัสสะพระควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 เทวานังปิยะตังสุตตวะอิติปิโสภควะยะมะราชาโนทาเวสุวัโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะ